บทภาชณีติกาสังฆาทิเศษ7จ็ดร้มที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษติกะทุกกฎ กรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรกรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ